พระอนุบัญญัติ63อันนึงภิกษุใดแสดงธรรมแก่มตุคามเกิน5ถึง6คำต้องอบัติปาจิตตีเว้นไว้แต่มีบุรุษรู้เดียงสาอยู่เรื่องพระชะพะคีจบ